เขาเอาวิทยุไปตรวจวิทยุของเราปิดมาหลายวันปิดมาเกือบนั่ น, นแหละตั้งแต่คอส ช, อชอเขาขอร้องให้ปิดวิทยุเราก็ปิดแต่แล้วเขาเอาวิทยุของเราไปตรวจสอบเขามาส่งเมื่อวานนี่แล้วก็ขั้นตอนก็ยังยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเขาตรวจสอบผ่านแล้วแล้วก็คงจะเดินเรื่องไปทาง ขอทอชอแล้วก็กอ ท, อทอชอจากนั้นก็คงจะจบขั้นตอนใบอนุญาตอะไรของเราเดินไปถูกต้องทุกทุกอย่างเลยนะเมื่อวานเนี่ยกวิทยุก็มาติดตั้งพอติดตั้งหลวงพ่อก็เลยเอาเขาก็เลยเอาแผ่นของหลวงตาเปิดให้ฟังตอนเมื่อวานแต่หลวงพ่อก็บอกว่าเอาของหลวงพ่อน่ ขั้นทดสอบทดลองควรจะเอาของหลวงพ่อใส่เพราะว่าใครจะดา่าใครจะว่าก็ให้ด่าว่าของหลวงพ่อว่ารหลวงพ่อเป็นคนให้ทดสอบทดลองเดี๋ยวนี้ก็เลยเป็น MP3 ของหลวงพ่ออยู่ใครอยากจะฟังก็ฟังได้เลยนะร้อยเจ็ดจุเมกะเฮิรตอหลวงพ่อจะเปิด เปิดเป็นการทดสอบเป็นการทดลองเครื่องถ้าหากว่าทดลองเครื่องถูกต้องแล้วหลวงพ่อก็คงจะเอารับสัญญาณจากวัดป่าบ้านตาดแต่ถ้าหาว่าฟังของหลวงพ่อสักวันสองสมวันเบื่อแล้วอาจจะเอาของหลวงปู่ล่าเข้าไปสักแผ่นเรือหลวงปู่สิงทองสักแผ่นแล้วก็เอาหลวงตาเข้าไปสักแผ่น ดูนะนายสถานีวิทยุไม่ใช่แต่เอาแต่หลวงพ่อนะเอาหลวงพ่อสักวันหนึ่ง24ชั่วโมงจากนั้นก็เอาหลวงปูล่ลาสักแผ่นนึงแล้วก็เอาหลวงปู่สิ้ยทองสักแผ่นหนึงแล้วก็เอาหลวงตาแล้วก็สลับมาหาหลวงพ่ออีกจนกว่าจะถูกต้องอันนี้เป็นการทดสอบทดลองสถานีวิทยุ ของพวกเรานะเพราะว่าเราได้ตรวจสอบเครื่องแล้วค่าตรวจสอบเครื่องที่เขาเปลี่ยนตัวหนึ่งที่โยมหมาเมื่อวานนี้บอกว่าใช้ไปประมาณสักหมื่นสองหรือหมื่นสามแต่ร้านนายสาคุณอ๋อยเป็นผู้ถวายแล้วล่ะหลวงพอ่อแล้วก็ค่าตรวจสอบอีก 5,000 บาท แล้วก็ค่าช่างที่มาถอดมาส่งมาติดตั้งอันนั้นเขาถวายถวายเขาไม่คิดเงินวานนี่พูดกันก็เป็นนั้นว่าวิทยุของเราเกือบจะเข้าขายแล้วล่ะเข้าล็อกแล้วล่ะเกือบจะจบแล้วล่ะรออีกสักน้อยแปลว่าได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้วทีนี้ต่อไปก็คงจะเข้าลิกิตอนสาธารณ เดี๋ยวนี้คล้ายๆกัยังเป็นอนาล็อกอยู่อนาล็อกคล้ายๆกเป็นวิทยุจํากัดลิจิตตันหรืไปว่าสากลเหมือนเครื่องบินไปที่ไหนก็ได้ลักษณะอย่างงั้นอะอนาล็อกในคล้ายับ ม, มันอยู่ในประเทศไทยมันอยู่ในกรอบแล้วก็วันเมื่อวานะหลวงพ่อพักผ่อเพราะวันก่อนไปกราบคารวะหลวงปูบ่บุญมีหลวงปู่ลี หลวงปู่เพงและก็หลวงปู่ใหญ่วัดโพธิสมพรไปกราบสพระองค์แต่6สถานที่หก เ, เครื่องคารวะให้ว่าหลวงปู่ใหญ่วัดโพธิท่านเจ้พระจังหวัดหลวงปู่บุญมีหลวงปู่ลีหลวงปู่ผ้าแดงและก็เจดีย์หลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพล รวมแล้วมีสิงครวหกเมื่อก่อนวันที่ยี่สิบเกแต่วันที่สามสิบเมื่อวานในพักผ่อนแต่วันนี้หลวงพ่อจะไปวัดหลงปู่ทุยวันนี้ดงสีชมพูก็เอาพระไปสองสามรูปถ้าในครัวอยากจะไปก่อนเนี่ยรถตู้ของเสียต้ ม, มพูดกับพ่อน้อยกันแล้วกันถ้ามาอยากจะไปก็แล้วแต่ ถ้าอยากจะไปก็พูดกับพอน้อยพอน้อยเป็นโซโฟเฟอร์ให้ก็ได้เอารถตู้ให้คันหนึ่งเต็มรถตู้นะ่ะใครยังไม่เคยไปก็ไปได้แต่ถ้าใครเคยไปแล้วก็เปิดให้คนอื่นไปและวก็ต่อไปวันไหนช่วงไหนว่างหลวงพ่อก็คงจะให้ท่านรุนแล้วก็พระในวัดที่ยังไม่เคยไปคาระวะเพื่อการศึกษาตลอดถึงศรัทธาญาติโยม ก็คงจะเอารถบัสไปคารวะหลวงปู่บุญมีแล้วก็คงจะมาผูนาหลาวแล้วก็บานเพิ่มแล้วก็ภูก้อนปีนี้ผลงพ่อคิดอยู่จากเน่เอารถบัรไปคารวะครูบาอาจารย์พร้อมกับพระสงฆ์พระสงฆ์นี่แหละองค์ไหนยังไม่เคยไปถ้าองค์ไหนไปแล้วก็เปิดโอกาสให้มูเพื่อนเดิน เป็นผู้ไปเราก็เข้าเฝ้าวัดปัดกวาดทำความสะอาดดูแลวัดองค์ไหนที่ยังไม่เคยไปก็เอาไปเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ไปกราบครูบาอาจารย์ไปคารวะทำวัดมุดน้ำดำหัวตามประเพณีนั้นทำอย่างไรเราบวชมาทั้งทีก็น่าจะได้เรียนรู้อันนี้จะค่อยเปิดโอกาสที่หลังถ้าช่วงไหนว่าง ในวัดของเราค่อยบอกหลวงพ่อก็ได้เนยค่อยบอกหลวงพ่อว่าจะไปช่วงไหนจะเหมาะนะเค่อยพูดกันอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งแต่ทุกปีที่ผ่านมาก็ถ้าไปกับทางในครัวอยากจะไปด้วยก็ได้ในช่วงนั้นเป็รถบัสคันใหญ่รับตั้งสี่ห้าหกสิบคนทางศรัทธาญาติโยมผู้ใดถือว่ารถยังไม่พอเพิ่มอีกก็ยังได้นะ ปีหนึ่งควรจะมีสักครั้งหนึ่งไปในวัดแต่วันมะเรเนี่ยหลวงพ่อจะไม่ได้ฉันอีหละนะ่ะคงจะไปฉันโรงเรียนน้ำโสมอีหละ่ะเขาจะทอดเขาทำพิธีอะไรที่เขาจะมอบอาคารของที่โรงเรียงอาหารเด็กวันที่หนึ่งนี่แหละกิจการของหลวงพ่อมาลุมมาตุ้ม คิวาอายุมากเท่าไร่แก่เท่าไหรคิดว่าจะสะดวกสบายไม่ใช่นะลูกหลานนะนี่จะเรื่องยุ่งแก่เท่าไรเขายิ่งใช้เหมือนกับพระสร้างใหม่พระที่สร้างเม้าใหม่ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่แต่พระเก่าหลายร้อยปีนะ่ยราคาแพงแต่มันตรงกันข้ามกับรถถ้ารถคันไหนออกมาใหม่ๆยี่ห้อใหม่ๆคันนั้นล่ะแพง ถ้าคันเก่าๆแล้วไม่พ่อยแพงเท่าไหร่เว้นเสียแต่รถบางยี่ห้อนะแต่บางยี่ห้อก็อย่างว่าเนะีะเป็นรถเก่าพวกเอรถชันยยม เ, เรื่องรถสูงรถเก่าๆราคาแพงนะเราก็ได้ยินเหมือนกันนะอแต่สําหรับหลวงพ่อนะอรถเก่าๆจะมาให้หลวงพ่ออ ย, อย่าเอามาเอาไปนอกวัดไกลๆมันลกวัด เอามาแล้วตายเอาตายเอ า, เอามาทําไมออกมาโชว์ทำไมอันนี้ก็คือกิจกรรมในช่วงที่เทศการเข้าพรรษาแต่ถึงยังไงพวกพระเนนทุกองค์พวกเราทุกคนที่เข้ามาอยู่ปฏิบัติธรรมอันนั้นก็คือเป็นกิจกรรมภายนอกกิจกรรมภายนอกเราก็ทําไปแต่ เรื่องจิตภาวนาของเราเนะี่ยอย่าให้ขาดตกบกพร่องจุดนี้สาคัญเรามาเพื่ออะไรเรามาอยู่ทาไมมีจุดประสงค์อะไรมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างไรที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาในคราวนี้ครั้งนี้จะให้พลาดโอกาสจะให้เสียเวลาจะให้เปล่าประโยชน์ในการมาอยู่วัดให้ศึกษา แล้วก็เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติให้ทั้งปริยัติเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติทดสอบทดลองด้วยผลแห่งการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นให้พวกเราได้เห็นเป็นช่วงระยะระยะแต่บางท่านบางคนก็อย่างว่าเหมือนกันเอผมเองในฉันเองภาวนาปฏิบัติมาก็นมนานก็ยังมองไม่เห็นที่ว่ามันได้เจอก้อนเงินก้อนทอง เป็นที่สะดุดใจเป็นที่ประทับใจเห็นกับตัวเองอย่างเป็นที่พอใจเนี่ยมันยังไม่ประทับใจไม่เป็นที่พอใจไม่รู้ว่าผลเนี่ยผลที่การปฏิบัติของอผมเองของฉันเองเนี่ยมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนมันยังมองไม่เห็นอันนั้นคือเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยากจะเห็นผล เ, เห็นอย่างไรก็ว่าขุดทองลงไป ไปเจอเป็นก้อนขึ้นมาเนี่ยยังประทับใจแต่เราได้ทีละนิดทีละหน่อยเนี่าอันนี้เรามองไม่เห็นพอมันได้ทีละนิดทีละหน่อยมันไม่ไม่ประทับใจใช่หมหลวงพ่อก็บอกว่าเออสมัยก่อนที่เราไม่หาเงินะเราอยู่เฉยๆเราเป็นคนจนเดี๋ยวนี้เราหาได้ทีละนิดทีละหน่อยเก็บหอมลอมลิบจนมาถึงจุดนี้ละ่ะ เรานึกย้อนหลังดูสิว่าถ้าเราไม่หาไม่หาเงินเราจะเป็นอย่างนี้ไหมเราจะมีความสุขอย่างนี้ไหมเรามีความสบายอกสบายใจอย่างนี้ไหมถ้าเรานึกย้อนหลังเราจะรู้ได้ว่าการเดินทางของเราและการปฏิบัติธรรมของเรามาถึงจุดนี้เนี่ยได้ผลมากน้อยแค่ไหนเราจะรู้ได้ แต่เราไม่นึกย้อนหลังเรามีแต่คิดว่าไม่ปัจจุบันปัจจุบันมันทำไมใจของเราก็ยังร้อนอยู่ยังมีความทุกข์อยู่ยังมีความไม่สบายใจอยู่อันไหนคือผลแห่งการปฏิบัติของเราอันนี้เราก็ยังจะมองไม่ค่อยเห็นแต่เรานึกย้อนหลังถึงสมัยก่อนที่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราไม่เคยเข้าวัดในจุดนั้นใจของเราเป็นยังไงในช่วงนั้นแต่มาถึงช่วงนี้ กับช่วงนั้นเปรียบเทียบดูสิมันอ uh ันไหนดีกว right ่ากันแต่ถ้าว่านึกเปรียบเทียบดูแล้วเข้าวัดเนี่ยเสียหายมากกว่าใหญ่ร้อนมากกว่ามีความทุกขมากกว่าก็แสดงว่าเราเราเดินมาผิดที่ผิดทางใช่แล้วเราควรจะปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขตัวเองแต่หลวงพ่อเองมั่นใจ ว่าถ้าเรานึกย้อนหลังดูแล้วพวกเราจะภาคภูมิใจลึกๆในใจของเราอืเราเดินมาถูกทางแล้วละ่ะใจของเราได้รับความสงบพร้มเย็นเป็นสุขถึงเราจะไม่พ้นทุกจะไม่ได้เป็นเศรษฐีถึงจะไม่เจ อ, เอแท่งเงินแท่งทองขึ้นมาแต่เราก็มั่นใจว่าเราเดินมาถูกทาง เ, เราเก็บเล็กผสมน้อยมาถึงขนาดนี้ เราก็ได้รับความล่มเย็นผาสุกในจิตใจเป็นที่พอใจในระดับหนึ่งเราก็ควรจะสั่งสมบัรมีไปเรื่อยๆอันนี้ก็คืออยากจะให้พวกเรานึกทบทวนย้อนหลังแล้วก็เดินหน้าแล้วก็ดูในปัจจุบันนี่แหละถ้าว่าพวกเราคิดอย่างที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวหรือแนะนำเนี่ยพวกเราก็คงจะ มีความภูมิใจในระดับหนึ่งแต่ว่าจะให้ถูกหวยหแจ็กพอรตออลวยอื้อซ่ากินไม่รู้จักหมดทีเดียวเลยนั่นก็คือพระอรหันต์อันนั้นเราต้องเราต้องสั่งสมไปเรื่อยๆบำเพ็ญบา ร, รมีไปเรื่อยๆแต่ถึงจุดนั้นอ่ะเดี๋ยวมันรวยเองนะพอมันบา ร, รมีเต็มแล้วมันเป็นไปได้ทั้งนั้นหละแต่ถ้าบา ร, รมีของเรายัง ไม่พร้อมก่อนเก็บพร้อมรอมเร็บไปน ะ, ะขอให้พวกเราทุกๆุ ท, กท่านนะแต่ถึงยังไงก็ตามอย่างที่หลวงตามหาบัวท่านแนะนําสั่งสอนนะั่นให้คิดถึงชีวิตของพวกเราเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ถ้าว่าเราคิดถึงจุดนี้ความทะเยอทยานความรุ่มหลวงมัวเมาความหลงโลกหลงโลกหล ง, ลงสงสาร หลงการเป็นอยู่ของเราราคะโทสะโมหะมันจะไม่เหยียบย่ําจิตใจของเรามากแต่ถ้าว่าเราไม่เลยลึกถึงจุดนี้นะ่ะพวกเราจะลุ่มหลงลืมตัวหลงตัวลืมตัวได้ง่ายๆท่านหลวงตาท่านพูดมันป่าช้ามันมีทุกแห่งหนนะท่านพูดหน้าคิดของท่านนะเราเห็นแต่ว่าป่าช้าของคนแต่ตามไม่จริงปลาช้าของสัตว์ล่ะ อยู่ในหม้อข้าวหม้อแกงหม้อต้มของเราเนะี่ยล้วนแล้วแต่เป็นป่าช้าทั้งหมดพวกสัตว์ทั้งหลายตายอยู่ในหม้อของเรานะที่เตาไฟของเรานะที่ทําอาหาร น, ะนั่นแหละล้วนแล้วแต่เป็นป่าช้าแต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นป่าช้าเราว่าเป็นที่ทําอาหารทําอาหารคือมาแล้วก็ทานอาหารอ ร, อร่อยแต่ตามจริงเราคิดดูให้ดีสิ อันนั้นคือสัตว์ที่มันตายนหละพวกปลาพวกสัตว์ทั้งหลายมาทำอาหารมากขนาดไหนแต่ละวันนั่นแหละคือล้วนแล้วแต่เป็นป่าช้าที่ตายของสัตว์ทั้งหมดแต่พวกเราไม่ได้คิดจุดนั้นที่ฝังป่าชา้าป่าช้าที่ฝังศพก็คืออะไรที่ท้องของเราในกระเพาะของเราแต่ละวันมีอะไรบ้างอยู่ในกระเพาะของเราคิดดูสินี่ะที่ฝังศพของสัตว์ทั้งหลาย ดูเถอะเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าปราดทั้งหลายไม่ชี้ให้เราฟังเราก็มองไม่เห็นอีกเหมือนกันเพราะว่าความโลภความโกรธความหลงตัวความหลงนั่นมันไม่ได้คิดแต่พอปราดชี้ให้ดูโอ้ชายาในท้องของเราเนี่ยเป็นป่าช้าไม่รู้ว่าฝังศกไม่รู้เท่าไหร่ ไม่รู้บอกวัวไม่รู้วอกควายไม่รู้บ่าหมูคงจะไม่มีตห ม, มานะหมากับบางครั้งอาจจะมีก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอเอป่าช้าฝังหมานะกับงูเออแต่บางแห่งเขาก็มีงูเหมือนกันนะเอป่าช้าฝังงูในท้องอ่ะนี่แหละสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราลูกหลานคณะสัตยานิยมพระเนเนทั้งหลายคิดดูนะ ร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่ฝังศพของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเนี่ยจริงไหมทําคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาความจริงมาพูดไม่จริงได้ยังไงถ้าไม่จริงจะพูดทําไมพูดไปได้อะไรเพื่ออะไรหวังอะไรเนี่ยเอาความจริงมาพูดให้การฟังจากนั้นเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขอย่าหลงหลกหลงทางนะ้าใจของเราเนะี่ยประกอบคุณงามความดีนะ แต่ข่าวต่อไปไม่แน่เหมือนกันนะเราเอาจจะไปอยู่ในท้องของใครก็ไม่รู้แหละเหมือนกันนะ่ะเขากินมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติเหมือนกันนะ่ะก็จะมาถึงจุดนี้ต่อ น, นี้ไปเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ได้ฟังธรร ม, มเทศนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําข้าพเจ้าคงจะมาให้ใครกินอีกข้าพเจ้าจะยังไงจะพ้นทุก พ้นทุกในวตระสงสารถึงแดนพระนิพพานโดยเร็วข้าพรเจ้าจะพยายามตะเกียกตะกายหาทางพ้นทุกจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกควรจะมีความมุ่งหวังมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความปรารถนาอย่างนั้นนะในตัวของพวกเรานะรับพ่อนอนโมตนาให้พรอ